ที่บบจะปนะ็นเรื่องต้องใางๆต้องใจจางนี่เราจะอดัำได้หรืออดปัญญาจิตไปอนไรไม่ต้องใจจางไม่เสีสผลใดวันนี้มาพูดปัญญาส่วนหึ่งใทฤษฎีาพูดให้ังทฤษก็ส่วนน พุกธิและคนเห็นตัณหาทุกธิเวลาคนเหงทุกตางพ่อเป็นนิสขาทุกธิเป็นคนเห็นในสุตาเนี่ยนะเมื่อพุทธิแล้วก็จะมาพเรื่องสาระสูตรให้ฟังเมื่อหน่งซื้อสาระสูท่านสนอะไรยาพุทือ กานองข้อหนึง้อที่สองยาเสพติดโดยเห็นใช้ฟัังกันเข้อที่สามยาเสพติดโดยการไดู่กกันเองที่บ้านท่เองแล้วเอข้อที่สี่ยาเสพติดโดยการใ้คนนข้อที่ห้ ยาเพื่ถือโดยการเม็ดใบเอาเอง้อที่หกยาเพื่อถือโดยชุดโดามอาการควานไป้อที่เจดยาเพื่อถือโดยภาพจาระถูต้องตามหลักการขนผู้โดยกำเนินั่นคือยาเพื่อถือ ในวันหน้าเป็นบุคคลที่แม่เชื่อถือเม่ขอลบยาพยาเชื่อถือในความชอบเนินเอาเองข้าเชื่อถือยาเชื่อถือเนนักหนาเป็นคุยบางอาการเคยรู้สคยสอนไราทัสุ้นท่านนี้เราเคยเชื่อถือครงานพระพุเจ้าแตนแบบนั้นแบบนี้ เราต้องเข้าใจกันให้ดีทำให้ตอบตอบไดอแบบว่าไม่ให้เกิดถือก็เอื้องถ้าเราจะเกิดถือที่ตรงไหนอันี้เป็นคาตอบของท้องอ่อนของอะไรยันน้อมตาติลับไม่ว่าต้งเกิดใคยากอยากเดินเละทุกสุขจรมนีคอยสนสัญญาใหเือของสนของสกุลธร เขาไได้แ่เรื่องเราเราไม่ได้สนใจกังเกตตรงนี้แม่วนาใครใครพูไหนตามที่ไปเห็นนะาดใจขาดเชื่อถือกันโดยที่คนไหนแน่เชื่อถือคนนี้ศึกษามาเต็มอ้ายอดอัดแสงมาเ้าไปได้พูดอยู่ที่นั้นถ้าไปได้พูดอยู่ที่นี้พูดแส่วนนึังที่นั้น เพื่อ้นงที่นั่เคยพูดกันแบบนั้นและจะมีอีกบทหนึ่งที่นี้ธรรมยุทธใส่ก่อนธรรมเนึ่งตามที่ครูาวาารย์และพ่อแม่เค่าสืบการเรื่องนี้ว่าอาศัยบุตรพร้อมด้วยธรรมะลุกติดไปฟังธรรมะจากพระเถรเจ้าคือพระเจ้า แสดงคนังให้ฟังหรือว่าให้โอวาเรวาให้คำอ ส, นนนำนน ส, นสอนใจอย่างนี้ก็ได้ทุกตูจำเนนที่เป็นลูกศิษย์ของเ่าการเรื่องเวลาพระฤทําธรรมาเราไปเชื่อธรรมะการเรื่งเป็นพระาษีธรรมาโดยทิศตูนี้แเมื่อพระองค์แสดงํางให้ฟังแลขข้วถาทตู เพเป็นลูกศิย์ของพสารีรุจมั่นเพื่อนะเพื่อเราประกาแสดงอย่างนี้หรือเราพระองค์แสดงอย่างนี้เพื่อเพื่อสงฆ์ า, าำนวนหนึ่งเพื่อเพื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดังเมื่อเมืม่อเขาสงฆ์จนวนนั้นแล้วเพื่อถคอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เล้วกลับมาถามพรารบุรเกลือคริบทุบทเกลือนี้พะคารบุต ไ, ไม่เกือเมื่อพระคริบุตรไม่เกลือแล้วพรนุสหลายนันก็ตกใจว่าระริบุตเป็นนิสัยที่ถี่แล้วทำไมไม่เสืสอ่อังสนของพระเาจายนี้กันน่กน่มันเข้ากันได้กับหลับาลามะตทูตุไปแล้วเนี่ยจะตู้นี่ อันนี้เราแค่ทำคนนั้นค น, นนี้ไม่ตวถือคนนั้นคนนี้แล่วเราก็เลยไม่มีชื่ขึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้ก็เลยเนิ่งพระ็ุทธเจ้าทำไทภาคสาร บ, บุไม่เชื่อพระพจ้าเรื่องอะไรอนนี้เราเป็นคนไทยไม่ก็เป็นคนอินเดีพยพระพุทธเจ้าช่วยเขาลามถือ นั้นเป็นคำอินเดียโทษภาษาอะไรก็จะโทษภ า, า, าษาบาลีเนจะเป็นภาษาบาลีเองเมา่แบบนี้เมื่อเป็นภาษาบาลีแล้ว่างก็ไม่รู้เรื่อ ง, งต่อตอนนั้ต่อเรียกว่าทุกทนเห็นต่ออย่างนั้นคำนั้นต้องโทษน้อยอย่างนั้นต้องใส่อย่งนั้นแล้วตอทุกตัวอย่างเมน่อหมดจ่ายไม่ทำไ เมโมต่าไม่คนใครทุกคนจะเป็นไปเป็นเนมเป็นสาเป็นเปนแต่หอเป็นเนมเป็นท่าไทยทั้งหมดเลยพูดกันได้เรื่องเมโมต่าเมโมต่าพักราตโตอลาฮาโตสัมมาสัมพุทธ้าอันนี้ก็ยไม่รู้ว่าทำทำไหอย่างนี้พูดเรื่อง ม่ลยตอนนี้มีอาจารย์โคตตลาดแตขึ้นมาก็ไม่เหมือนคัามีกแล้อาจารย์บางองค์แตกละโมแตกแตะละตะโตแต่ว่าขอนักหนามต่พระตืออกกนั้นพรมลโตแต่ว่าทั่ไจากเดยวังมาสมรรถะพระเบิจแต่ตอนี้ทอบโดยพระ อ, องค์ออันนี้ เป็นคพวกของแต่ละอาจารย์คนหน่งก็้อบคล้องกันแบบพวกอะไรก็เลยเอามาใสแต่คนอื่นอาไม่ชบค่ันนี้บางอาจารย์เคยแปลนโมตสาภควะโตแปลว่าตัวดีภควะโตนี่แปลว่าโัวดีภระหโตแปลว่าพวกจากข้าศึใครจะอันตรายมันมันคัดเคี่ยกันไปเยามมสามพระพุเจ้าตัดสโลอ โดยพอง์เองคือรู้เอนเห็นเองเข้าใจเองแล้วก็ไปพูดให้คนพูดที่เรื่องใสั่ใจดังนั้นพิถีจึงมีมากสัมมาพิถีก็มีมากคําว่าพิถีนั้นแต่ละความเห็นความเห็นแต่ละคนละคนนั้นจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปเมื่อเพิ่มเอาสัมมาพิถีเข้ามาแล้วสัมมาแปลถูกต้องเต่ และถ friend, people, so exactly ูก so ต exactly ้องตามความเห็นแต่ละคนและคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกันเราว่าคนนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิบางทีอาจเราเป็นสัมมทิฏฐิก็ได้หรือว่าคนนั้นอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้บางคนว่าคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิบางทีอาจเราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ที่เราเห็นว่าคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอาจจะกลับเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้ เรื่องนี้เราควรพิจารณากันให้แน่นอนว่าเป็นสมมติที่อยู่ที่ตรงไหนเป็นเล็กกาที่อยู่ที่ตรงไหนเมื่อวานนี้ฉันัน่งหรือไต่ต้องกุฏิเรือใต้ขุนระดมกันได้มีโยมคนหนึ่งที่เป็นครูครูโรงเรียนบ้านนั้นมีจานวน เก้าสิบหคนแล้วก็โทษไม่เหมือนกัน ท, ทั้งท่าี่เป็นหควเรียนมาจากอ่านศึกษานิคมศึกษามาอันเดียวกันแล้วกันในคมเห็นคนยังไม่เหมือนกันและแบบนี้ก็มาตั้งเป็นคณะตั้งเป็นกลุ่มเป็นประธานขึ้นก็เขาเลือกเอาคนที่มาเล่าให้สังนั่นแหละ ผมว่าคนนี้สมควรที่จะเป็นประธานเป็นกลุ่มคณะก็เลยตั้งให้ท่านเป็นกลุ่มเป็นคณะนคยเป็นหัวหน้าชักโครกมีการประชุมกันเรื่องอะไรต่างๆก็เรียกมาประชุมกันแต่นักเรียนแต่เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ลงความเห็นเหมือนท่านก็มีสารซี้คนโคจํานวนนั้น ทำไมเจ้ม่มีควมเห็นเหมือนกันกันกบท่านเพราะเรื่องอะไรเมื่อสอันนี้เนี่ยาติโยมมาคิดถไม่เหมือนกั น, น, น, เ, น, น, เ, น, กนเราต้องพยายามคำว่าทิดถือความเห็นเป็นเรื่องความเห็นแต่ละคนละคนนั้นมันไม่เหมือนกันคำว่าสัมมาทิดถืนั้นก็ไม่เหมือนกันเมื่อคิดถึงสัมมาทิดถือและนิสกิตถือนี้เราจะเอาที่ตรงไหน มาเป็นเครื่องวัดเพราะว่าพระุทธเจ้าไม่มีแล้วพูะเจ้จะมาตัดให้เราคนนั้นคิดคนนี้ถูกไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็นิขิานหรือว่าตายเรือวดับขันไปแล้วเมืคนมีปัญญาจังแล้วรู้ทันทีเมื่อพระพุทธเจ้าตายไปลิขิตานไปดับขันไป ไม่เกห่ยวมีวงการในพระสงฆ์องค์หนึ่งเรื่องจากพระธรรมวินัยขึ้นมาว่ากรรมะโคตรตายแล้วก็สบายใจเอแต่พุกธสุจำนวนบางลูกเข้าใจว่าพระพเจ้าตายแล้วจะไม่มีผู้แนะนำไม่มีคู้ไม่มีอาจารย์และได้บางองค์คดขึ้นใจอะ ทำยดายแล้วไม่มีคนไหนมาตำหนิตีเตีอนเมือ่อเข้าเจ้าหรือสมณะโฮรมยังมีชีวิตอยู่นั้นคอยตำหนิคอยตีมมยตเตีอนคอยว่าข่าวกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็หน้าคดเหมือนเลวเรื่อทันจังคณาเขาเรื่องอันนั้นไม่กะไม่ดีวันนี้แล้วมีทิกสูทั้งจังหวัดราชสีมาไปอ่านหนังสือพิม เมื่านนี้ว่าทิศกูห้าครับทิศกูองค์หนึ่งดูจะเป็นหัวหน้าทิศกูองค์ที่สองนั้นดูจะเป็นลูกศิษย์รับไม่จะเป็นอย่างนั้นทิศกูองค์ที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานาาน่ะคอยเป็นติเตือนและทําอย่างนั้นไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีมันไม่ถูกต้องกับหลักพระที่ไหนและหลักธรรมะไม่พูดกันงหลายครั้ หนคนก็มีความจาใจองคที่ไม่ไม่ตั้งองที่เป็จนจำเห็นความท่านต้องเป็นยังไง น, นานนามากเลยข้าองค์ที่เป็นหัวหน้านก็เลยเหลออยนีไปแล้ดูหนังสือพินจำซึ่ไม่ได้เพาไม่มีจดจำเขาเรียกว่ า, านหน้เนนสูงหืออนเนนสูงอย่างวัิมาอะไรันนี้เหละเราจะัที่ตรงไหนว่หลักขณาาสนาสอนอะไร แล้วจะไปตู้คนนั้นคนนี้ไร่ได้ต่ตัวกเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าสู่ฟังเลื่อสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ออกมาใหม่ๆแดนทางออกมาเล็กว่าจะเร็ดโลดเอาพวกปัญจวัสีทั้งห้ามาพบอุกสูตรงนี้อุตสูตองนั้นก็กลมพูดสแสวงหาธรรม ะ, สะแสวงหาคนามหยุดพ้น แสวงทางพระนิ่ถานจับพุกเราอย่างไม่กได้เมื่อพุกกับพบระพุทธเจ้าเราก็ถามพระเจ้าว่าท่านมาจากที่ไหนไปที่ไหนมาเมื่อพูดภาษาบ้านเราคงจะพูดอย่างนี้และเป็นมูกศิษยของใครมาครูบาอาจารย์ของท่านสอนเรื่องอะไรเพราะแมงเห็นได้หน้าเรื่อมใสอะไรพระองค์ก็เลยตับตร ง, ตร ง, ตรงๆว่าเลา ม่ไเป็นลูกติดของใครไม่ได้เป็นพ น, น, นักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์รู้เองเห็นเองเข้าใจเองเหมือนพูดเขียนเองนี้ทิศสูงนั้นก็เลยสลับเอปรับสะบับไปเลยไม่เชื่อใจไม่เชื่อถืออันนี้ก็ตรงทิศทีเหมือนกันเพราะทิศที่องค์นี้เป็นอย่างนั้นทิศที่พระทเจ้าก็เป็นอย่างนั้นมันเลยเข้ากันไม่ได้ แล้ว้าติโยมก็ตั้งใจฟังดีวันนี้ดูเงียบพระสงฆ์ก็เงียบฟังด้วยความตั้งใจความเคารพที่จะนำมาเล่าสู่ฟังวันนี้ก็ต้องตวนอะไรแล้วว่าเราจะเชื่อถือที่ตรงไหนใครเป็นศาสดาของเราเดียวนี้เมื่อามามองถึงเจ้าชายสิทธถะอมมาหรือสมณะโคดมก็ตายไปแล้ว เมื่อพูดกันถึงส่วนที่พูดอยู่ใก้ชครับพระุทเจ้าในสมัยเมื่อพระเจ้ยายางไม่อันตา ย, ยหรือยังมีติดอยู่อย่างใดเมื่อพิตรจน์่งเรียกว่าคือไป็อยู่กับพระบุทธเจ้าหรือสัมภารไม่ใช่คือพะระวัากระเลกหรือใคร ไปอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเพราะว่พระอานนท์ก็เป็นคนอุปรรถัมภ์พระวิกรุษเนี่ยดูว่าตักษาพระพุทธเจ้าไปใกล้าพระพุทธเจ้าไปอุปถัมภ์พระพุทธเจนะ้าดู่อย่างนี้แล้วชอบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เจริญสติคือไม่ได้เจริญปัญญาไม่เจริญชีวิตลาอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าก็เลยท่าทีแสดงความโก หรือแสดงอย่างไรก็ไม่ทราบเพราะเราไม่เห็นเพียงพอแม่เลือกูบาจานพูดให้ฟังเรื่องนี้พระวกระดิกก็ไม่พอใจด้ียว่าโคตรขไม่มีที่พึ่งถ้าเป็เจ้าล่หนีไปว่จะเป็นกระโดดหนีตายอะไรอย่างนี้พระเปเจ้าโคตรคนึงถึงพระวกระดิกนะแม่ทมาพระระดิตพูดอย่างนี้ แมจะไปกระโดดเหว ต, ตายอย่างนั้นก็เลยไปถามาพระวักกะลิเอกพันน์ว่าพระวักคะลิกทําไหมจะไปกระโดดเหว ต, ตายก็เรื่องอะไรพระวักคะลิก็เลยตอบพระบุรีเจ้าว่าผมชอบพระบุรีเจ้าจึงมาอยู่กับพระบุรีเจ้ามาเช้าพระบุ ร, รีเจ้ามาอุปถมภ์พระบุรีเจ้าเมื่อไม่เห็นพระบุรีเจ้าและไม่เห็นสมณะโคดมแล้วพระสมณะโคดมไม่ให้อยู่ด้วยแล้วค่ะมีทางเดียวคือตาย ตายแล้วก็แล้วไปนี่แบไม่มีที่ขึ่ ง, งเละเจ้าก็เลยถามพระวกกฤว่าพระกฤเข้าใจว่าไรลูกานห้างาทีหรือเอนื้อนังไ่เป็นพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างนั้นตืพระวกกฤก็เลยตอจวเข้าใจว่าอย่างนั้นเหครับนี่แเขาเจ้าข่เราจะว่าอย่างไนก็ได้เราจะเรื่สมมติพูดกันไปพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระวกกฤอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ถ้าหากเขากเาเรยกเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจผิดเพระว่าเขากตายเป็นไหมถามเพระว่าเขาตายเป็นเราผู้เป็นสมณะโหดมพราะว่าขากว่าเป็นสมณะโหดมหรือเป็นพระภิกษุตายเป็นไหมตายเป็นพระวิาขากถ้าตายเป็นแล้วเราก็ตายเป็นเน่าเหม็นเป็นเหมือนกันไหมเน่าเหม็นเป็นเหมือนกันถ้าเน่าเหม็นเป็นเหมือนกันแม่จะเข้าใจว่าเราเป็นพระเจ้าไม่ได้ พรากระดกโคตรก็งงใจ แ, แบบนี้นั่นเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจริงๆทําไมจึงว่าไม่เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เราทุกคนมาที่นี่ต้องพยายามใจและพยายามใช้สติปัญญาตัวเองพระเจ้าเขาตัดไรอย่างนี้อะไรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคดผู้ใดไม่เห็นธรรม พวนั้นไม่เห็นเราจะถ า, จากขดจะอยู่ใกล้เราเท่าไหก็ตายจับสายจีร้รอนหรือจับมื้วมือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราจะถากขดเลยเพราะไม่เห็นธรรมเลยอันนี้ให้ททกอย่าทงทั้งหลายเข้าใจเอาไว้ธรรมะคืออะไรอยู่ที่ไหนบางคนก็เข้าใจเพราะมาหลายครั้งหลายหนบางคนก็ไม่เข้าใจเพราะมาหนเดียวมาครั้งเดียว คงพยายามโทษให้เข้าใจอาไปใช้สติปัญ น, นาโดยตัวเองเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกลกันบางคนก็อยู่ใกลต่างด้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดมาเพื่อจ ะ, สะแสวงหาธรรมะคำสอนที่แท้จริงนั้นแต่ใครจะรู้ว่าคำสอนของใครถูกต้องแท้จริงนั้นไม่มีใครรับรองเลย เริ่มแต่บุคคลคนที่พูดนั่นแหละจะรับร อ, อ, องตัวเองเมื่อรับรองตัวเองเช่นนี้ก็เลยจะซักเรื่องสไหมโมคคลาสาริบุตรไปศึกษาอยู่ยกับอาจารย์สมัยเมื่อพบเอากับพระอาสาริสได้ฟังพระอาจาริสแสดงให้สาริบุตรฟังย่้งนั้น พระอารยบุตรกับโมคนณาเข้าไปสแสดงสู่กันสั่งนะครับอาจารยบุตรไปสแสดงให้โมขนณาสั่งแล้วได้ดวงาเห็นธรรมเช่นเดียวกันแล้วทะเลยไปส่วนเอาอาจารย์สนใจไปสั่งธรรมะจากพ ร, ระพุทธเจ้าอ่ะสมณะโคดมเนแล้วคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเลยไปสังธรรมะสมณะโคดมด้วยกันเถอะท่านอาจารย์ตอนนี้อาจารย์สนใจก็เลยกลับถาม เราได้บุตรกับ ล, ล, ลูกค้าว่าคนโง่กับคนตลาดอะไรมากกว่ากันคนโง่มีมากคนตลาดมีน้อยก็เธอเป็นคนตลาดแต่ฟังธรร ม, มะธรรมะโคดมใ่ไคนโง่ต้องมาฟังธรรมจากเราเรามาเป็นครูคนแล้วเป็นอาจารย์คนแล้วจะไปเชื่อฟังคนอย่างนั้นไม่ได้จะไปเป็นลูกที่เขามันไม่ได้เลาพักปอกหลายรอบตัวไว้ปวด คงรู้และกลัวปัญญามันจะแตกออกมาวะยังอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเมื่อพูดถึงตรงนี้แต่ก็คนที่มาที่นี่ต้องนึกว่าธรรมะที่นี่อาจจะไม่เหมือนกับธรรมะที่อื่นหรือคมอื่นว่ายังก็ได้เราจึงพากันมาจากบางคนก็ว่าไม่รู้บางคนก็ว่ารู้มันเป็นการขาจรไป เพราะคนพูดว่าดีย่าไม่ดีคนที่ว่าดีกดเสื้อมาก็ามาฟังคนที่ว่าไม่ดีก็อยากไปดูอยากไปฟังด้วยตนเองตรงนังก็มีบางคนมาที่นี่อาจจะมีศรัทธาก็ได้หรือไม่มีศรัทธาก็ได้มีศรัทธาอยากมา ป, ปฏิบัติกฎมีหรือไมมีศรัทธาอยากมาฟังเก๋ๆ ก, ก็ได้หรือบางคน <c oughs> อยากมาดู <c oughs> มันไม่ถูกต้องเราเคยศึกษาเคยวนมาแล้วมาดูเผยเผยก่อ น, นี้ก็อยา่างไรดังนั้นเรามาที่นี่ที่ฉันเป็นคนพูดฉันก็พูดตามทฤษฎีและความเห็นของฉันเองเมื่ามันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เห็นพระพรุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วหรือท่านยังมีชิริตอยู่ก็ไม่ได้ไปเป็นเหตุเพราะเราเป็นคนไทยพก็เกิดเมืองไทย เล่ก็เกิดเมืองไทยตัวเองก็เกิดเมืองไทยก็เราก็เป็นคนไทยร้อเเซ็นต์นจริงๆเมื่อเป็นคนไทยอย่างนี้เนี่ยพูดภาษาการี่ภาษากรุงเทพอย่างที่ภาษาพูดเดียมนี้เนี่ยก็ไม่พูกสักพูกแสนตามตัวอักษอหรือหนังสือไทยถ้าเป็นคนทางอีสานเป็นคนจังหวัดเลยพูดแลแ้วกคนมีอายุอีกด้วยไม่เคยเรียนหนังสือไทย ไม่เคยอ่านหนังสือไทยแต่เมื่อสมัยเป็นเด็กเข้ามารวมกันไม่กี่ปีนี่แหละมาหัดพูดภาษาอย่างนี้ก็ไม่กี่ปีเพราะว่าเพื่อนเพื่อนอยากให้พวก็เลยหัดพูดแล้วก็เลยมาพูดให้ญาติโยมและเพื่อนที่สูตรตเมณีสางพอที่จะสังได้อย่างนี้บางคนพูดภาษาอีสานพูดภาษาเหมือนเลยคนคุงเทพสั่งไม่รู้เรื่อง คนไทยด้วยกันจริงๆพูดกันแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องว่าแบบนี้เราไปฟางภาษาคนอินเดียพูดก็ ย, ยิ่งไก่เป็นย่นั้นดังนั้นทู่พูดน่ะทิศที่ความเห็นของตัวเองแค่ก็เป็นการพูดแม้ก็เป็นการพูดตัวเองเกิดมาก็เป็นควาเมเข้าใจนะครับและให้ผ่านลักษาะสิมาไม่ไม่น้อยเหมือนกัน ทำกรรมาฐานมาก็ไม่น้อยเหมือนกันแต่เรื่นี้ปัจจนามาก็ไม่น้อยเหมือนกันแต่ยังไม่เข้าใจว่าพระพุจ้สอนเรื่องอะไรยังึ้งตัวเองไม่ได้คึงตัวเองไม่ได้จริงๆไม่มีความสามารถยืนหยัดรับลองพระนได้สอนเ้วยองนีไม่เคยเลยมีคนพูดคนแสดงให้ตังกต่งมาแล้วก็นำไปปฏิบัติมาอย่างนั้น อ่นนี้ก็เลยมีความสามารถเพื่อมั่นเดินหยัดาพระพุทเจ้าพูดอย่างนี้สอนอย่างนี้และสก้างกระทําอย่างนี้อันนี้เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นว่าเป็นสัมมาทิฏฐิของฉันแต่คนอื่นอา จ, จว่ากล้าเกินตัวพูดเกินตัวว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะมันขับกับตำหนักตำลาว่ายังก็ได้แต่ตำล้านั้นไม่ได้เรียก เราไม่เคยรู้หนังสือไทยแต่แปหนโงสทงอทยอไม่ค่อยได้ดังนั้นเมอครูปฏิบัตินั้นเราเคยลู้กันวาพระพุทธสอนเรื่องสติปะธานสูตร 4, ายานุปจนะเลนานุปจนะุตานุปจนาธัมมานุปจนะอะไรอย่างนีน้เราเคยเชืจากนั้นมาครๆก็เชั่อจากนั้น นก็แปลกันมาอย่างนั้นนี่ยกายานกปัฒนาคือกายในกายรวธนาในรูธะนาจิตตาเนกปัฒนาคืกจจิตธรรมเนกปัฒนาคือธรรมในธรรมอันนครับวิมโตตาอาจารย์สอนมาแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆยังนี้คนเราจะมาพูดกันเรื่อง่างเข้าใจหลักกุศลาสนานั้นสอนเรื่อง เอตัวเองเรื่องสอนเรื่องนอกตัวกันสอนเรื่องตัวเองสอนเรื่องตัวเองสอนเรื่องอะไรเพราะคนกขาต้มีตัวตนเขามีตัวตนก็ถูกไปแล้วนีตัวมีตนมันเป็นไงมันคําพูดคํากล่าวเนี่ยมันยากจะรับฝักซ้อมสอนเรื่องตัวเองนี่คือให้ทําดีพูดดีคิดดีเลยอันนี้พอแม่ก็เคสอนมาครูบาอาจารย์ก็เคยสอนมาแต่ไม่เข้าใจ แารที่เข้าใจของเจริญสติคือตองจเจริญสตินี้บางคนอาจราับผิดบางคนอาจราับผูกก็ได้แต่ควรเห็นของฉันฉันทาอย่างนี้ฉันก็เลิกคำยาขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยนําเรื่องนี้มาสอนใครสนใจก็มากรับปับฟังได้และนําไปปฏิบัติได้ใครไม่สนใจใครไม่เชื่อก็ไม่นําไปปฏิบัติหรือไม่สรทาไม่เชื่อฟังก็ได้ ที่นำมาไลใอย่างนี้ในาขนาะมันเป็นโยมเป็นโยมโน้ตางต้นหาสั้นหายาวนี่แหละไปเจริติยู่ือที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นขึ้นให้ยกมือขึ้นพวบมือลงยกมือไปเอามือมาอย่างที่เคยสอนสอนกันแล้วทำแบบนด้ด่า ให้เนื้กระจุกอ่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้อนอยงตัวตที่ท่านสอนทีแรกตัตนกรรมฐานของอาาท่านคือว่าหลวง่อบางทองมีอ น, นุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วท่านปนอาจารย์สอนท่านให้าวนาตายหายใจเข้าขอให้ว่าตายหายใจเข้าคอข่าว่าตายเป็นการบริกรรมทาอย่างนั้นมาไม่รู้อะไรเลยเกลควงปวท่านและมีความขยันมีเราจวดเองบางครั้งบางข่าวเกีย อย่าทไม่อยากทำทำแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรมันเป็นอย่างนั้นจะไดในใจเระบางครั้งบางคราวเกิขยับขึ้นมาต้องมาทำเองเมื่อมาทำมีอที่พุิดมือขึ้นคั้วมือลงยกมือไปเอามือมานี่หละให้เมสตสีเขาไปกาหนดรู้ถือแรกไม่รู้ไม่เข้าใจ ลำคอเนี่ยให้ไมค์ประูเข้าไปกับประตอันนี้เนื้วไม่สงสัยไม่งอแงไม่คอนเทนไม่เชื่อใครทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคนนึเอาให้ฟังแต่เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเน้นพระพุทธเจ้าขอมาไม่ก็่ตาถ้าหกพูดว่าทาอย่างนั้นไม่ถูกต้องสั่งเสกเจะไม่เชื่อเน้นการขับภาษาไบุทไม่เชื่อพระพุธเจ้าตัวเองเพื่ออะไรเพื่อเรื่องนี้ของตัวเองเกิดขึ้น แล้วมันตกับระสงฆ์ของพระบิาเจ้าพระบิาเจ้าท่านเชื่อว่าพระิเจ้าอยู่ที่ไหนพ่อพระบิดาสอนเรื่องให้รู้ตัวเองล้วจะให้แก้ไขตัวเองได้ยัอนนเือาพระบดาสอนจะไม่จริงจิงให้รู้ตัวเองนี่เรื่องอะไรรู้ตัวเองเพราะท่านสอนเรื่องทุกพระบดสอนเรื่องทุกจริงจริงนอกจากทุกไม่ไดเอามาสอนคำสอนของพระาเจ้าม right. ีมากแปดหมื birth, ่นสีพัธมรคันกวตาม ท่าสอ น, น, น, านเรื่องทุกแต่คนเราก็าต้องรวมกันด้วยนี่แต่ทํานเลไว้เพื่อให้เราเรียนให้เราศึกษาให้รู้ให้รู้รู้แล้วมาแก้ทุกมาเป็นเครื่องมือ ด, ดับทุกตัวเองครับดับทุกให้ถึงที่สุดของทุกไม่ได้มีวไว้มามามาเป็นเครื่องมือถกเถียงกันไม่ได้มลไว้เพื่อเป็นเครื่องมือหากิน้นทํานเลไว้เพื่อให้คนเอาไปแก้เป็นเครื่องบบดับทุก สอนไดอย่างนี้มันเมียนดูแล้วทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วครับแล้วนักก็ต้องเอาไปสอนกันเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยทุกๆเอาเองอนะเนี่ยเพราะมันไม่ตรงคําสอนของพระพุทธและมัณงน์ทำอย่างนั้นทุกไปอย่างนี้พระพุทธสอนเรื่องทุกจริงๆเลยมันรู้เรื่องทุกจริงๆรู้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกจริงๆทุกจนแล้ไม่มีที่หยุดเยยัง <c oughs> นัง่นตาไหลไม่หยุดเลยขอรู้เรื่องนี้มาแล้ว ก็กระพ้ายังเป็นอยู่ในขณะนั้นก็ทุกข์พอแล้วทุกจริงจิงทุกจนไม่มีที่หลเหมือนจะเอาเข็มแงลงไปไหเลย เข้าใ จ, าจอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่พูดคำได้อย่างผู้โคบายางสอนสุนทได้วาสานุัตยานทันตอย่างนี้แล้วลูกกิษย์ได้ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวบุตรเป็นรทวดาได้ทาบุญให้ท า, อา น, นอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้บุญวาสนาอั น, นั้นมาคำมาสู่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆในเรื่องคำสอนของระพุทเจ้าที่สู้ได้จริงๆ ผู้จริน า, าวิธห็นได้จริงๆเหมือนกับพุทธยาตราทุกงนิดมังนั้นควาคุ้มนะนะจ๊ะ ไ, ไม่เปลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงคนจริงตายไม่จบโหมดหายไม่จบดัว น, น, นั้นเข้าใจยังไงเมื่อคลอดออกมาแล้วบอนนี้ก็อนอนแพ่ส้าสลิงอยู่ในบ้านอัตมาลาะบ้านของสารแค่สองสลิงคือไปไหนมาไหนไม่ได้เมือนกับคนลม้มขดล้มนอนลงทุกทีตึงโ ต, ตงไม่ได้เพราะแคสองสลิงอ่ะล ของสเล่ยเนี่ยไม่เป็นบาปบาสิบเปอร์เซตถ้าบาปนี้ก็ต้องลยอายชะตาเรามาเข้าใจอย่างนี้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้ก็นเรียงเป็นลำบับขึ้นมาตนบด็นหนึ่งนกระทังเมื่อระยะนั้นอายุสี่สิบกี่าปีเมไม่ได้ักโลกที่สุดแต่ไม่เข้าใจสมายนั้นทิศบุรีทิดพระอ่อสอนแต่ไม่ยงเป็นลดด แต่ท่านไม่ได้สนงสู้บุรีนะท่านไม่ได้สอนอะไรแต่ท่านเอาให้ไปสู้บุรีมาทำนาไปไถนาขัดข้อกันขัดข้อต้องครให้ตะ ก, กิดบุรีมาให้ไปเนีน้มันเจาเหัวท่านปุ่นไปก็มันมอดแต่ขึ้นทางแล้วหนึ่งใส่รือแลนใส่บ้านของฉันแลนด้สมันไม่ทันคงมางทีก็จับต้นใส่แต่ถ้าจับใส่เนด้วยบางทีก็ไม่จับ นานมาท่านก็เลยพูดมากูดทะเลาะพูดมาก็เลยติดพูดไม่ดีติดเงินพออีกอันนี้พอาะม่สอนไม่ถูกเพราะแม่นักลูกแต่สอนไม่ถูกเพราะว่ามันจําเป็นถ้าะท่านมีคนรู้อย่างนั้นเพอม่เนี่ยอยากเข้าใจว่าดูทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเชื่อทุกอย่างไม่ใ็่อย่างนั้นเมื่อก็เหมือนกันแต่ว่าเราดูทุกอย่างเขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเชื่อทุกอย่างไม่ใ็่อย่างนั้น มันเืนอ้อมันเบรแค่ความคิดถ้าคิดรวบกับเสว้อตจริงจรถ้าคิดโรกับเบรยจริงจริงอันนี้จะเลยมาเข้ากับหลักตำนาพระทเจ้าต้องท่านสอนอะไรพ่อละสอนเรื่องกับพ่พอนความประเทสามหลักพระพเจ้าเมื่อกัดตะลุโนเนี่ยเมืม่อกิงข้าวนาตุสดาไรร้นะอนออตวงสวงเทวดาแล้วเอาึินข้านาตุสดานาตุสดาเข้าไปปูซาเทวดาอะไรอย่างนัง้น แล้วก็เลยเอาขันเอาท่าพนั่นไปอธิษฐานตามดิมในน้ำเอาไข่น้ำไปหยุดฟังน้ำแหละถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสินรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้าก็เลืตายข้าก็เลือดจจริงๆแล้วข้าพเจ้าวางขันและท่าไปด้่ยน้ำแล้วทาไมควรขับแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำไปเลยตรงกันข้ามถ้าข้าพเจ้าจะไม่ได้ตัดสินรู้ มันไม่เป็นนะกดจริงๆและวางขันใบนี้หราใบนี้ลงไปน้ำนี่นะถ้ามันไหลไปตามกระแสของน้ำไปกันโดยวางขันวางพาดานลงไปขันพาดมันก็เลยคกระแทของน้ำไปอันนี้พอเข้าใจแล้เป็นน้าจริงๆแต่ก็น้าจริงๆต่ไม่ใ่น้าที่เราเห็นนั้นน้ำใสนึกิดใสนความคิดเราเลยกิดมาเข้าใจตรงขันข้ามอีกแล้วกันต้ะน้าไม่หมายถึงความคิด หมายถึงจิตใจมันคิดมันคิดยุกขึ้นมาเราได้เคยทวนกระแสสองคนคิดมันคิดยุกขึ้นมามาไม่เคยทวนกระแสของจิตใจเพราะคนเราทำไปตามความคิดทำไปตามจิตใจคิดทำไปตามอารมณ์คนคิดเลยไม่ได้เห็นคนคิดตัวเองเราเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสโลกเพรนทํารทำางจิตทางใจอยู่อานั้นอันนี้ทุกคนมาที่นี่ต้องมีจิตมีใจต้องมีการคิดผู้หลงก็มีการคิด ในจิตในใจเข้กาก็มีการคิดในจิตในใจพระแมก็มีการคิดในจิตในใจ เ, เลยเข้าใจอย่างนี้เข้าใจวันนี้ก็เลยมาดูจิตใจคือไม่ไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจจริงๆมันคิดร้อยอันพันอยา่าไหลเหมือนน้ำเดียวเมื่อนู่นตอนที่รู้ตัวเองนีเรื่องทุกข์นี่นะก็เรเกิดความรู้สึกนิดหนึ่งขึ้นมามันคิด มันไ้่จะไปสฝงคนนั้นจะไปสฝนคนนี้แว่าคนไม่รู้อย่านั้นนี่มันคิดไงเราไม่รู้คนคิดเลาจะโฟมใจกับความคิดที่เรารู้นี่ตอนเดินจมกลมได้ว่าเดินจนกลก็ได้วลามานางก็ได้กลับไปกลับมาคนามคิดมันยูบขึ้นมามันคิดนานสะแหงแล้วมันคิดทั้งัำแล้ววันนั้นแต่เราไม่รู้ที่มันคิดยังไงมันก็ไม่ทราบเใครทาจก็มีคนมาผลักดันตรงข้างเนี่ย ยูืดยังแรงเหล่านี้น ล, นล้วก็เลยหาเอ้ไรมาดันข้างเหล่านี้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรมันคืบมาจากที่ไหนไม่รู้เลยเมื่อที่ยงนี้มันเลยรู้ควาคิดคืบยืด ข, ขึ้นมาเอมันคิดแต่บางทีมันคิดอย่งนั้นเราไม่รู้บากเที่ยงนี้ก็เลยรู้ความคิดตัวเองอมันคิดอย่างนี้นอน เ, เคค อ, คอ๊ควมคิดมันอยู่ที่ตรงนี้เลยเราทาเหมือนแม่ขับหนึ่งแบบ ไอูไอ้ดูมันอย่างันนี่ยมันคิดมาปุ๊บนึงเห็นทันทีคมคิดมันก็หุดทันทีมันคิดมาการเห็นรู้เข้าใจมันก็เลยหยุดทันทีเมื่อหละเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคล้ายๆเรียว่ามันเรียกว่ายานก็ได้เรียกว่าทำญานยานก็ได้เรียวยานเป็นคมรู้เรียกว่าทำญาก็ได้ว่รับรู้มันก็เลยเกิดคมรู้สเลิกหนึ่งขึ้นมาเออรู้นะครับ ส่งที่ไม่เคยรู้มันรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยได้ยินใคพูดเลยเรื่องนี้แต่ได้ยิว่าวัตถุคือสิ่งของเลยวัตถุต่ละมัดอากาศนี่เข้าใปอย่างนี้วัตถุต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของดินดิน้าอากาศเป็นวัตถุทางนั้นทรัพย์สมบัตเป็นวัตถุทางนั้นอันนั้นเป็นเรื่องสมมุตินอกตัวแต่วัตถุคือตัวอะไราวัตถุคือจิตใจเราจำเลยคือจิตใจนี่เป็นเป็นวัตถุ อาการก็หมายถึงตัวอะไรหไมายถึงจิตใจเราอารมณ์ก็หมายถึงตัวอะไรหไมายถึงจิตใจเราเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยเข้าใจเรื่องความโกรธเรื่องโหตระเทสะโลหะโลคะเข้าใจอย่างนั้นจริงจริงเีืรู้เห็นเข้าใจเมื่อรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้เลื่อกให้ฟังอีกพักห น, นึ่งนั่งยอมเอ็นกับตอคุณภาพร้เปอรเซ็นต์ที่แรกนะ ถ้าไปย้อมผ้าขาวผ้าเป็นสีแดงผ้าก็ต้องแดงเต็มที่เลยถ้าเป็นสีดำมาไปย้อมผ้าขาวผ้าก็ต้องดำทั้งหมดเลยเพราะคุณภาพมันดีไม่เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้เลยสมมุติให้ฟังน้ำย้อมเต็มกระป๋องกระดูกหมาดเต็มกระป๋องเหมือนเดิมแต่คุณภาพมันเคลื่อนไปแล้วเป็นน้ำย้อมไม้ผู้หญิงจะเข้าใจดี้ว่แต่น้ำย้อมหมดคุณภาพแล้วอันั่นแดงมย้อมผ้าขาวผ้าไม่แดง ถ้าเป็นสี่อตามแบบญป็นางผ้าขาวผ้าไม่ด่าง ม, มันเป็นอย่างนั้นๆๆจริงๆความโกความโลกควมหลงเนี่ยเรียกว่ามันลุกไปเลยมันไม่ได้มีที่เราเลยเราเข้าใจพระพุทธสอนเรื่องนี้จริงๆเรื่องการทําบุญให้ทานรักษาสินนั้นอย่างที่เราเคยทํากันนั้นว่าทำบุนให้ทานรักษาสีนนั้นก็จะมาจัดการกับสิ่งเหล่านี้ก็จะมาไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปได้ไม่ผูกต้องกับแล้วขา่าวมัน คนอืน่นมันก็อาจจะโทษก็ได้แต่สําหรับตัวของสําต์ว่าไม่ถูกอยแล้วเรื่องการทําบุญให้ทานรักษาศีลนั้นมเป็นคน ล, เลัเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเราเข้าใจจางหวะนึกไม่จริงจริงเรเคยไป ต, ตรงเอากับผู้เราเคยเรียนกันหลักสูตรนักขันทันตีว่าทำที่นี้อุปกรณมากสองอย่างแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนแต่ไม่ได้ ตัวรู้เพราะพอแม่พระดาจางสนให้เรื่องนี้ทาที่ในอุปลรมากสองอย่างเมื่อสติคนเลึกได้สองสาตาจะยคนึดตัวอันนัลึกได้กับรู้ตัวไม่เป็นคําเดียวขันตัวเติมคุณธรรมกันคุคํารมตัวนั้นอยู่ที่ตรงไหนเราเล็กได้ทันทีเราอรู้ตัวทันทีเราเลึกได้กับเราลึกถึงตัวเราเมื่อเราอยู่ท้องแม่เราคุณแม่เลาเลึกย่ำไปคุณแม่เราเล็กได้เมื่อตัวเราถ้าจากแม่เรามาเป็นเด็กๆนั่นแหละ แล้เล็กได้เห็นเป็นเด็กๆกเล็ป็นหนุ่งจป็นสาวขึ้นมาจนโตขึ้นมาเป็นแค่บ้านแม่เลี้ยงอันนี้แหละเมื่อการเห็นด้วยตาอีกด้วยท่าอยู่ในแผลมันมองไม่เห็นด้วตาแัา่เมื่อคนคลอดลูกออกมาเราไปดูก็เห็นด้วตาได้จริงๆจนเราเข้าใจโอพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิงเมื่ได้สอนเรื่องโกหกจริงๆก็เลยนับรองว่าโอ้สอนเรื่องเจริญสติแต่คําพูดไม่สําคัญต่อขอให้จเจริญสติ คนที่มีปัญญาอาศัยการสากงคนที่ปัญญาไม่อขอก็ต้องอาศัยการเจริญสตินั่นเป็นอย่างนั้นการเจริญสตินั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดไม่เหมือนกับเอาเงินไปซื้อหรือไปจ้างเขามาไม่เหมือนอย่างนั้นมันต้องทําเองเมื่อทําเองต้องรู้เองผมเองเข้าใจเองเรื่องนี้คนไทยก็นี้ถ้าเจริญสติอย่างนี้ คนจีนก็นรู้ถ้าจเจริญสติอย่างนี้ค น, นกัมมังโซก็รู้คนอเมด้กาก็กรู้ใครๆรู้ทั้งนั้นก็ขอให้มีชีวิตจิตใจเป็นพระเป็นเนเรรู้ทั้งนั้นรู้เหมือนกันหมดทุกคนถ้ามันมีเหมือนกันหมดทุกคนดังนั้นธรรมะที่ธรรมจักรสอนเท่า น, านั้นสอนเทอาไร้นั้นมันมีในคนสอนให้คนเจริญสติสอนให้นนคนใช้สติปัญญาเท่นั้นเองเมื่อตรงพวงนี้ข้าเลยนับรองว่าก็ เขาเล่าสอนได้ให้จริงจริงสอนไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ใหโลกนี่คนโกรขึ้นเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องหลงเรื่องเลีนตัวคนชอบเลีนตัวไปพูดเรื่องคนอื่นมากเกินไปไม่ได้พูดเรื่องตัวเองในขณะที่ทําที่พูดที่คิดนี่น่ะไม่ได้โกรธตัวเองพูดไปตามอารมณ์ก็เลยเออกไปจากอารมณ์ไม่ทวนกระแสะของน้ำไม่ได้ทวนกระแสะของคนคิดไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นธรรมะ ถ้าคนมันจะ น, นึกใส่ยอย่างนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครที่ไหนทั้งหมดเลยเรื่อนี้ตัวของสังนต์ก็เหมือนกันเมื่อมันจะเลงกระดูกแบบนี้มันจะโผล่ขดขึ้นมาแล้วก็เลยข้ามได้คลมคิดที่มันขับฉนวุ่นวายมันตุมงอยู่ภายในใจิตใจไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรื่งริงจิงเมื่อรู้เรื่องนี้เข้าใจไรื่องนับลองดึงดักได้อ่ะใครพิดว่าผิด ทุกจริงๆเปสคนคสอนของพระเจ้าจริงๆก็เป็นของเ ข, ขาจริงๆแต่พระเจ้าอยู่ที่ไหนคนที่พูดนั้นเป็นพระพุทธเจ้าไหมหรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ไนนเข้าใจอย่างไงเข้าใจว่าพระเจ้าคือคนทุกคนนั่นแหละเป้าพระเจ้าเข้าใจยางไงจริงๆตัวของศานเข้าใจยังไงดีในขณะที่พูดอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้ากิดผู้คนเนพระพุเจ้าจริงๆจริงๆถ้าไปโกคนก็ไปโกหกพระเจ้าหรือตำหนคนจะไปตำหนิพระพุทเจ้า ไปด่าคนเขาไปด่าพระพุทธเจ้าไว้ข้าจะอย่างนั้นจริงๆรับรองว่าต้อง่นั้นจริงๆตอนนั้นนึงอ่ะเพราะอมตนเป็นพระพุทธเจ้าไปจริงๆแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าในเจ้าสายสุธากุมารนั่นนะพระพุทธเจ้าคือตัวชีวิตนี้เองตัวจิตใจนี่เองตัวชีวิตจิตใจมันไม่เคยโกรธมันไม่เคยโลภไม่เคยหลงมันเฝ่ๆอย่อย่างที่ ย, ยากเโยมนั่งอยู่ในขณะนี้นี่หลยคือทุกจุดธรรมเนมนั่งอยู่ด้วยกันในขณะนี้เลย เป็ยังไงยากโยนั่งอยู่ขนาดนี้จิตใจตัดคนรุ่งหลายแล้วใจิตใจเกยเกยเกยเกยอ่อโอยก็ู้ายเป็นยจิตใจผู้สายคงไม่ได้ยินกับคนนะคือพูดนี่รูร้ว่าเป็นยังไงเอาพ้ะเล่นมาเป็นยังไงเกยเกยแต่ผู้สายคงจะไม่ได้หยิดเพราะว่าไม่แสดงให้ก็สายสั่งก็ได้เพราะผู้สายมันเป็นกระเป๋าแล้วแต่ไม่ได้หยิดถามไม่รู้นี่ก็แสดงไม่ได้อันนี้แสดงว่าพูดให้สั่งแล้วไม่เข้าใจ หลักฐานโศโศได้มีในคนทุกคนไม่ยกเลิกเด็ดนี้พูดจริงๆอันเนี้ยแต่ผู้ตายอาจจะขัดสนยิ่หลายเลยไม่ได้ยินกระได้ขอถามแล้วแตไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงผู้ตายต่อขึ้นมาได้ยินแต่เสียงไม่ออแต่ไม่ออคงจะตั้งใจฟังคนที่ไม่ตั้งใจฟังก็ไม่ได้ยินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกั น, นการพูดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพูดมันมีในคนทุกคนที่จะหนาบ่ายจิสจิอันนี้อ่ะโศที่สามเนี่ยจะตั้งใจโศที่สามจริงจร หลักปณะจิตใจเฉยเได้เลยมันเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธกามีเฉยๆอันนี้จะนำอันเฉยๆอันน şey ี้ไปพูดให้คนฟังแล้วพอพูดให้คนฟังคนมีปัญญาก็เลยนึกโอ้มีเฉยๆเหมือนกันถ้าสารีบุตรกูไม่ยอมเสื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าเฉยๆไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าเชื่อเฉยๆของตัวเองถ้าพิสูจน์จำนวนที่สังพระุเจ้ากระเชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้มาเห็นหลักปณะเฉยๆของตัวเองนั่นเป็นอย่างนั้น หลักฐานเฝเฝอันนี้มีมันต้องขวนจริงๆนับรองว่ามีจริงๆแต่ในขณะนี้ยังไม่รู้เพราะอาศัยการสังเรื่องธรรมะเขาใช้สาระมันไม่ทกมันไม่สุขมันเหนือทุกมันเหนือสุขมันไม่ใด่บาปแต่ไม่ใด้บุญมันเหนือบาปเหนือบุญมันเหนือดีเหนือชั่วท่านเรียกว่านิพพานนิพพานมันไม่ได้หมายถึงขวนตายตายแม้คุณเอาไม่ได้หมายอย่างนั้นดังนั้นโคเทมารานีุมาามัน ผมจะทำยังไงกับคนที่ไม่เข้าใจกับผมทำยังไงให้เขาไม่ได้เพาะวิีมไม่ไ เ, เหมือนกันแล้วก็ต้องสบแสดงเรื่องเสๆให้ เ, เขาฟังขาดน้นเขาจะฟังก็ได้เขาไม่ฟังก็ได้เขาจะไปปฏิบัติก็ได้เขาจะทะเลาะดเชือนงก็ได้เขารู้จักเสืๆไปจะฟังเสืๆแล้วเออหลักคนะเสืๆนี่จริงๆงาตามทำงานแตตามหน้าที่เราต้องครโรงเรียนก็ไปสนนงสือให้นักเรียนนเขารู้หนังสือ ถึ เ, เวลาเงินเดือนออกมาแล้วก็กรับเงินเดือนถ้าทุกคนทําอย่างนี้ก็มีงานทําทุกคนคนทำนาทำํำสวนก็ทํานาทําสวนคนซื้อคนขายก็ต้องซื้อต้องขายาคนเป็นกรรมกรแดกขนก็ต้องแบกขนคนในมืองานอะไรต้องทําอะไรแต่นําเขาอันเฉลยเฉลยไปปฏิบัติด้วยคือเรารู้อันเสลยเฉลี้อยู่แล้ ว, วอันเสลยเฉลยนี้ไปไหนมาไหนก็ยึดกับอันนี้ทํางานอยู่กับอันนี้แต่ร่างกายมันทํางาน เรนั้นก็เรีกเป็นอาหารเมียกเป็นที่พึ่งเรียว่าตนเป็นที่พึ่งของตนขึ้นใครไม่ได้สิ่งเรื่องนี้พึถูก็ไม่ได้พ่งเทวดาก็ไม่ได้ที่สุดพึ่งพระเจ้าเองก็ไม่ได้ต้องพึ่งการศึกษาและการปฏิบัติตัวเองให้รู้จริงจึงเรื่องนี้เมื่อรู้จริงจริงอันนี้แหละ น, นี่แหละทำให้พุทธศาสนาเจริญใหาพูดอย่างนี้แปลว่าประกธธาศพุทธกาสนาจริงสุง ถ้าพรเจ้าตายนะไม่ได้มาพูดให้เราังแล้วเนรเราควรเข้าใจศาสนาไม่ให้มากคนศึกษาเร่ไให้มากเม่่ว่าทำให้พระาถศาสนจเล่ต้ไปทาอันนั้นไปทาอันนี้อันนั้นถูกน้อยถ้าเรื่องนี้ก็จะพูดเรื่องที่สมัยพรเาเจ้ายัางมีชีวิตอยู่เคยได้ยินเพื่อนเราให้่ังและครูบาอาจารย์เขาเคเล่าให้่ังบ้างอล็กน้อยมีพิสูจน์นวนหลายคน ที่เาปกำลังป่วยหรืกำลังเป็นอะไรก็ไม่ทราบอะทุกสูจํานวนหลายคนไปขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้ายอยู่วะยัเราให้ความอุปถัมภ์ดำรงพระพุทธเจ้ายอยู่ทุกคนองค์หนึงน่งไม่ไปไปทาทุลักทุกของตัวเองยงเดินจงกลงไปเจเล่นตัดตสิ่งขคนเดีองทุกสู้ตราเนียนที่อยู่ด้วยกันก็เลยทาหนะนเห็นเกิตัวไม่วหายใจใส่ไม่อุปถมัมภ์ดำรงโควาจันบบนเลยพระเจ้ายก็กเลยเรียกมา พวกมาถามเธอเป็นยังไงผมเป็นตัว อ, อย่างนั้นนึถามพวกเพื่อนเพื่อนเขาไว้ยงไงเป็นอย่างนั้นจริงเขาจะขาดเป็นอย่างนั้นจริงจิขนาน้อยไปอย่างไรเธอทำไมจะเพราะผมยังไม่รู้ธรรมะเพรผมปฏิบัติธรรมะอยากลู้อยากเข้าใจพระพุทธเจ้าก็เลยจักกระนัเตือนว่าการปู่ษาพระพุทธเจ้านั้นจักเป็นวัตถุเข้าดอกดอกไม้ทุกเขียนขอ ง, องทั้งหลายหล่านั้นเนี่จะนามาปูษาพระพุทธเจ้าก็ไม่ซืว่าะูษาพระพุทธเจ้าเลย คนใดประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมอันนั้นคือว่าเป็นการปฏิบัติพระเจ้าเป็นการปฏิบัติปูสาพจ ร, จ ร, จ ร, จ ร, จระเจ้าจริงจริงว่าไหมเนอเนี่ยมาคิดถึงตอนมี้ดูสาภาพาาสาวพุทธพระสงฆ์องค์เลื่อนยอดโยมทำกันอยู่ทุกวันนี้ดูมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นจริงจตัวของสันสมัยนั้นเขไม่ได้ไม่ได้เข้าใจจากนี้เรื่องการปูสาพระเจ้าทำให้พุทธศาสนาเจริญนั้น ให้ปฏิบัติตัวเองให้รู้ใหเข้า ใ, ใจแล้วก็ประกาศความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองนั้นให้คนอืน่นฟังเรื่อเขาที่พูดได้คนที่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาพิสูจน์ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฟังเขาไม่พิสูจอะไรเลยเขาก็หลับตาแล้วก็นล็กตู้เอาเลยไม่รู้ท่านแสดงเรื่องอะไรฟังไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรไม่รู้เพราะมันไม่ได้ยินนีะเนามันเป็นยังไ ดังนั้นเราควรเข้าใจเรื่องการภูสาเขาเป็นเจ้าการทำให้พุทธศาสนาเจริญทําอย่างไรเราต้องเข้าใจเอาเทน้ำมาล้า้สังวันนี้เพื่อว่าเป็นคารเปิดจิตกับจิตใจกันผู้สั่งและผู้มาจากด้านไกลตำบลไกลตามจังหวัดต่างอำเภอมาต่างพระสงก็ตามตํำบลต่างาามมาจังหวัดต่าง อ, อําเภอมาต่างกันสั่งแล้วก็พิจารณาตัวเองให้มาก อาไพูดเรื่องคนอื่นมากเกินไปมันจะไม่เป็นควรกระแสของน้ํามันจะไม่เป็นการควรกระแสของอจิตใจมันจะไม่เป็นการควรกระแสของอารมณ์จะพูดอะไรต้องดูดูคําพูดของตัวเองดูคําพูดที่มันนึกมาจากจิตใจมันสูงหรือมันไม่สูงที่จุดได้ไหมที่จุไดไม่ได้มันต้องเข้าใจอย่างนั้น เรียนไม่ว่าทุกคนจะเรียนสติแล้วเรียนก็ได้ตํานาไม่เรียนก็ได้เพราะมันตํานามันเป็นภาษาบาลีเ็ภาษาบาลีเรียนแล้วไม่แฝงไม่รักไม่รักมันก็แฝงเราไม่ละมาดสอนกันคนไทยสอนให้ลูกกันปฏิบัติกันจริงๆ้วทุกคนรู้สมมติเมื่อรู้สมมุติแล้วก็เราไม่ไปยึดไปถือสมมุติเมื่อไม่ไปยึดไปถือสมมุติเราก็ไม่มีทุกข์คนเองเราเป็นเช็คยูเช็คลันเพราะเราไปยึดไปถือสมมุติ เราไปวิ่งตามสมมติเราไปแตกไปหามสมมติเอาสมมตินนมาเทีย่ยวศีรษะเราไว้แล้วก็ยักยอกสมมติสมมติมันไม่ถูกคนิีบสมมติมตายไปแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเราไปทำกันไปยระทาทุกคนรู้อันนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกเกิดขึ้นมาก็เป็นหน้าที่เลี้ยงของเลี้ยงพ่อแม่แปไป หลวงพระเลยก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมญาติโยมก็เป็นหน้าที่อบรมพระเลยแลวก็เป็นหน้าที่ที่จะศึกษาธร ร, รมะด้วยกันทั้งหมดหน้าที่ผู้ในบ้านต้องดูแลรัชดรูปบ้านของเราหน้าที่คนนั้นต้องดูแลในหมู่บ้านของเราหรือในตำบลของเราแล้วก็เลยถูกต้องใครผิดใครถูกต้องตัดเตือนกันศึกษาปฏิบัติธรรมะอันสอนของเพื่อจริงจงแล้วนําเอาเรื่องอ น, นั้นแหละมากล่าวมาสอนกัน ถ้าเป็นตำรวจทหารก็เหมือนกันทำ ต, ตามหน้าที่อันนั้นแล้วับกระบายบ้านเมืองของเราไม่เดือดร้อนไม่ตับสนวุญญ่นวายด้วยความเป็นมนุษย์ความเป็นพระเนียบบุคค ม, มันอยู่ที่ตรงนี้เพราะมันทําลายโทสะโมหะโลภได้แล้วก็ต้องทําลายความยึดมั่นถือมั่นได้แต่เราผู้จะทําลายโทสะโมหะโลภทําลายความยึดมั่นถือมัน่นแต่เราผู้ใด ท, ท, ที่ที่จะไปทําลายมันจะรมอย่างไร ดูที่ตรงไหนเข้าไปอันนั้นไม่รู้ข่าวเนี่ยยังไม่รู้ไรู้จริงจริงแต่ตอนที่รู้เนี่ยผมมีที่ทําให้การเคลเคื่อนไหวมากมากเคลื่อนไหวตัวเองคือเคลื่อนไหวโลกกายเป็นการข้าใหญ่ข้าใหญ่ภาพรู้ข้าใหญ่ตัวให้มันเติมตัวให้มันรู้อยู่กับมันเนี่มันคิดกับให้นรู้ก่อนมันคิดรู้แล้วก็เลยดูคนคิดดูก็คิดแต่มันจะหไหลไปนี่ ว, ว่ายานเกิดขึ้น ตัวตัวฌานตัวปัญญานัวเห็นของคิดเนี่ยมันจะเลื่อนตั้มขึ้นไปเองมันจะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนถึงที่สุดของทุกมันรู้ทุกมันก็ถึงที่สุดของทุกได้ตรงนั้นดังนั้นที่นํามาไล่ฟางวันนี้ก็เห็นนัาผนใวนเกินเวลาแล้วขอให้ท่นผู้ฟังท่านไหนจงนําไปใส่ผู้สนใจผู้ไม่สนใจไม่เอาไปใสก็ก็ได้ติดเพราะว่าคนทุกจะรับคนละคน ไ, ไม่เหมือนกัน สาหรับวิถีของสันเป็นอย่างนี้ใครต้องการมาจับฟังสังโทษมาฟังอย่างนั้นถ้าไม่ต้องการจับฟังสังโทษไม่ต้องมาก็ได้มาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ใครต้องการแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องวิถีปฏิบัติจริงๆและนําไปทําจริงๆรู้จริงๆสําหรับตัวสังคนอื่นอาจไม่รู้ก็ได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทุกคนจงได้พบได้เห็นเอาจิตใจมือชีวิตที่มันไม่โกรธ มันไม่เลอมันไม่หลงชีวิตที่เป็นเยษเศษเยอะจุดใจที่เป็นเศษเศษนั่นแหละให้เราคบเราเห็นเราเข้าใจสัมผัสได้ทุกเวลานาทีให้เราเอาอันนั้นมาเป็นที่พึ่งตัวเลาได้จริงๆเมื่อตายลูกขณะเมื่อก่อนเรได้เห็นอันนั้นถ้อหากเรายังไม่เห็นอันนั้นก็เราขาดคุนการมาเกิดความเป็นคนเราให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นอาในีิ่งที่เป็นส่ทุกคนเธอ